แนะนำบทอัซซันซะละห์บทอัซซันซะละห์เป็นบทมะดะดิยะห์มี 8 องค์การณ์แต่ในสำนวนของบทคล้ายกับบทมักกียะห์เพราะในบทมีการกล่าวถึงความน่ากลัวและความรุนแรงของวันกิยามะห์ในที่นี้กล่าวถึงความหวั่นไหวและการสั่นสะเทือนที่จะเกิดขึ้นในวันอวสานโดยที่สิ่งก่อสร้างที่สูงตระหง่านจะถูกกระแทกและภูเขาที่สูงทุกขนทุกแห่งก็จะพังทลายลงอย่างราบคราบ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 จากทุ่งมาซัรไปยังสวนสวรรค์หรือนรกและจะแบ่งมนุษย์ออกเป็น 2 จำพวกคือคนที่มีความทุกข์และคนที่มีความสุขบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออิซซุลซิลาติลอัรฎุซิลซาลาฮาเมื่อแผ่นดินถูกให้ไหวอย่าง سنثان واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها لما pandin dai rabai khong nak khong man ok ma la manut cha klao wa koet arai khuen ka man lao yawma idin tuhaddith akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha nai wan nan man cha bok khao khong man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 ดังนั้นผู้ใดกระทําความดีหนักเท่าละอองธุลีเค้าก็จะเห็นมันส่วนผู้ใดกระทําความชั่วหนักเท่าละอองธุลีเค้าก็จะเห็นมัน